หมายเพื่อแทรการูุ ส, ส, สดับรับฟังทำจากพระโอษของพระองค์ตั้งหน้าตั้งตาสดับรับฟังจริงจังและก่อข่คิดที่นิจพานาธรรมะสู่พระองค์แสดงออกไปจากพระโอษเขาไปสอนใจท้องตนเพราะทุกคนมีธรรมะ อยู่ในตนเดียวกันทุกคนหนะแต่เทราว่าสติปัญญาจะคนคิดที่เจรนาธรรมะในตนในสุจะมีธรรมะที่เท่คกตเจ้ า, าจแสดงออกไปก็แสดงออกจากตายจากใ จ, จแสดงของมีอยู่ไม่ใช่ว่าหาเรื่องอื่นซึ่งไม่มี ใราบุคคลมาแสดงเมื่ อ, อแสดงเรื่องท้องมีอยู่ใจจำทุกท่านทุกคนอย่างนั้นผู้ฟังที่สนใจก็ใครคิดดูนี้ที่เจรนาตามใส่ ใ, ใจธรรมะเรื่จิตใจละถอนเรื่องที่เหลือกันหาเต็มโต๊ะดาสจิตาคาอนาชาอรหัน นั่นเป็นข่าวที่พระพุทธเ จ, จ้าของพวกเรายัางทรงพระชนอยู่แต่แดนธรรมาจะจากพระโอษฐของพระองค์ผููส ด, ดับรับฟังก็ตั้งใจอย่ากหูอยากเห็นอยากเป็นอย่างท่านาจึงไปสดับรับฟังพอท่านเอาา๋อธรรมะขึ้นเข้ไปถึงหูลู่ถึงใจของผู้ส ด, ดับรับฟัง ก่อนำธรรมะนั้นั้นใก้ควรพิจารณานาื่ได้ทัเลดต่อหน้าต่อ ต, อตาต่อพระพรกของ้าองค์กำลังแสดงความอยู่ <S <S บางขั้นบางคนก่อนำธรรมะนั้นเราฝึกผลกรวบรวมต่อไปจนได้เห็นนัเห็นผลเกิดขึ้นในจิตในใจของตน ศาสนาจึงรัยงยืนข้าบอนมาถึงพวกเราทุกวันนี้พระผู้แสดงธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้สดับรับสังเป็นผู้สั้งใจที่ททนิพพานหาทางละชั่วบำเพ็ญดีจนจนตัดสีพยายามรู้เห็นแต่จากในจิตในใจว่าการสดับรับสังการจะเชืป่ปฏิบัต เป็นเลื่อนทาง ใ, ใจจิตใจได้รับความสว่างสวัยใจจิตใจได้รับความสุขสมัยพระพุตธเจ้าจยังคงพระคนอยู่เป็นอย่างนั้นแต่สมัยปัจจุ บ, บันที่พวกเราฟังกันบ่ายดื่มพวไปวันพระเข้าสดับรับฟังในวัดในวาบางท่านบางคนสถาบับบางจากวิทยุธรรมะ สมัยนี試試試้ม sí yes, ือดาบดินเลยตาเป็นของสิ่งหนึ่งมีผ้ามีราคาไปในเหมือนสมัยพุทธกาลผู้แสดงธรรมสมัยนั้นก็แหงว่าผู้สถบันรับฟังก็อยากจะสถาบันรับฟังจริงใจเหมือนกันกับคนที่เหิวใส่ตัวอาหารเข้า ก็รับประทานมีรถาติอ ร, อ ร, อร่อยอ่อยยิ่นน้ำสำา ล, ง แ, ำลงแต่สมัยปัจจุบันธรรมะมีมาตามตำรับตำราก็หาอ่านจนในขณะจะอ่านทั่วถือตามวัดตามวาก็มีครูบาอาจารย์แบงหรือกนอกนั้นยังมีวิทยุอาจารยครอบครัวแต่ พอเอธรรมะข้นโดยคนใหญ่นาอากิติยุเสียเอ่ยเชิงรืเรื่องต่างๆน้าอยากระดับรับฟังกันคือความเหนวความกระหายเรงอยากจะรดับรับฟังธรรมะในสู่จะมีเมดบื่อหน และอาใจในการสดับรับฟังจิตใจของพวกเราท่านเมื่อเป็นอย่างนั้นจะได้ชื่อว่าพวกเราเป็นพุทธะสาธุนิสัยคนดีด้ไหมเราใครควรที่จะมาการจิตใจของพวกเราท่านเหมือนห่างจากรรทำไมเราชอบพอในทรรมม ทำน่ะเป็นยาสาหรับพวกเราระดับรับฟังไปจึงทำจิตทำใจให้รับความเปวดร้อนใหรับความทุกข์ไม่คลอยจิตคล้อยใจไม่เทิดเผยไม่จีบจิกไม่ปลุใจเหมือนดูมหาลักษณ์ทุกเงินต่างๆขาดตามที่นึกที่จะรลยมามขาดสติปัญญา ผ่แห่คนไข้แบเป็นคนที่ไม่ชอบยากริีทำมะใชอยาประเภทนี้จะไป ร, รักษาเข้รประเภทนั้นจนอันแหนหายยิ่งดีบเท่าไหร่ยิ่งดื่เท่าไหร่ยิ่งชาเท่าเร่อรประเภทนั้นก็ยิ่งกำเริบขึ้นในวันสงบ ในีวันแส่วนเรื่องนอกออกไปจากธรรมะหรือว่าสนุกสนานสุขสมหวังเราตารเห็นตามได้ยินเราไถูกประเภือื่นเสียถูกประเพื่ที่ในใจธรรมะขาดเป็นยาก็ไม่เส่ยยา ที่อยู่ในตำลับตำลาของพระศาสนาถุงใถูงยาของเทวทัตถูงยาของผูหมาปฏิบัติเรื่องธรรมด้วยไหนเมื่องคำนึงคำนวณถึงรายได้กับราเสียในตัวของเราเป็นอย่างไรเมื่องิตใจแห่งเหว่งจากธรรมะในไท่ทควรในเรื่องธรรมะในตั้งหน้าปฏิบัติธรรมะ จิตใจคือเต้าชอบเพราะสบชอบเงินจิตใจคือเตายินดีชอบเพนราทางโลกเราท่านสุขสนุกสนานที่เราเคยจิตฟังมาเคยกระดับรับฟังมาเคยเห็นมาสุขสนุกสนานขนาดไหนอยาจิตอย่งใจของพวกเราหาจากความ ขัดข้องสศร้หมองหลือยังลรามาเดินมาชั่งมาที่นี่ที่นะั่นมาตรวจตาเราตรวจของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นกานเเรเหตุผลเห็นผนการขชอบการติดในเรื่องภายนอกมันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะเจี่ยงพอบอริบูรเพราะมันคิดดูคุณค่าสารประโยชน์จากการดูการฟังท่าหาคิดดูคุณ 5. สารประโยชน์จากที่เราได้เหนได้ยินแบงนั้นแ้วเราไปดูเหมือนว่าเราฝบกการในู้กจีทุ่มจีมองอยู่ได้ความสุขสนุดเพลิเพเพนเราตามดูทั่วคู่ตั่วเวลาพอกลับมาจิตใจเป็นอย่างไรเพิ่มความทุกข์เบื่อเรือ่อเพิ่มทีหนวดปัญหาหรือหาก ลดละเบาบางไปทุกท่านได้ที่เจอมาเรื่องเหล่านี้จะรู้ดีเรื่องหมหัวและศพเรื่องที่เราสอบคิดสอบติดตามนั้นต้น็นทีมที่โยวยสวนให้หลงตั่วการตั่วเวลาสาระประโยชน์อันเท่ากิงไม่มี ยินดีแต่วยอะดีวะแล้วก็มีทุกข์ความล่ามเข้ามาส่วนธรนมะของพระพุทธเจ้าหาเราชอบพอยินดีอยางมหัศจรรสบพอได้ยินว่าจ ะ, จะแสดงคำในใสถานที่นั้นที่นี้อุชาพยายามสักส่วนกันไปแต่ว่าผู้เท่าผู้แฉผู้เล็เกเด็กแบงยินดี พิรุธ่าจะเด้กใจดับรับฟางังทำทำสั่งสอนของพอระพุทธเจ้าแลวนำใจพิที่จะเรมารู้ว่าเวลาฟังว่าตั้งใจะดัดรับฟังจริงจังในสักรว่าฟังก็เสียไม่ได้ฟังเหตุฟังผลนี้ที่จะ เ, มมเจบบรมาจิตใจทั้งตนกับธรรมมันต้อผัดกันหรือไม่จิตใจของเราเข้าถึงธรรม หรืออย่างอย่างไรเมื่อเราพิจารณาขัาง้งสวงเรื่องธรรมกับจิตใจอยู่เสมอๆมันเอาธรรมเข้าเกาเข้าชำระเข้าผัดผีอยู่เสมอจิตใจคือเคยเมื่อดนจิตใจคือเคยขวดทะจิตใจคือเคยรามจิตใจคือเคยมีสุ่นอันเหน ทำตัวของตัวเองไม่ชอบไมา่พอในขา ท, ทนาที่จินยานจิตในสบายนออกมาจากตัวเองเพรนมว่าเรื่องของจิตคือเป็นทิพย์เนไทยอาศัยเรื่องของจินเนตคือสังสแนนอยู่ในจิตในใจหากเาได้ทำเนะ้ เขาไปฟักเข้าไปรักษาจิตใจชนิดนั้นนับบันนับเวลาที่จะเกิดคามสว่างไสวจะตัดความเยกนพอใจเริ่มตีติในการจะทำมันเพลินในการกระดับรักษาหากเราไม่ข่ า, างชนิดที่ทจะมามาคิดหาเ่องทำ ม, มะเข้ามาหาใจ ยังจฟังอยากเหัื่นบ้านเขาฟังเราจะฟังกับเขาแตจิตใจของเราเราเหงื่อเรียเราสู่ตันดาอารมอะไรเราเมื่อเคยนึกเคดเคยคิดะราในั้นตามต้นดาอามณอยู่อย่างนั้นพอท่านเกิดจบหรืออวังปวดสาสุชร่องตัวนี้จะฟังไปตั้งเาปีันปีหมื่นปี จิตใจจะให้ดีวิเศษละถอนจิต่จจิตคล่องเราสันดานของตนยอมเป็นไปไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นยาวิเศษสำหรับขับไล่ท่เมตออกจากจิตของคนกวต่างหากคนในมันทำนั้นเข้าไปสัมลัาส า, า์เข้าไปนีวิาที่จนะ ใน ม, มีสมมติในมีปัญญาสืบสอบตัวเองเข้าหาธรรมะธรรมะก็เป็นเป็นของมีค่ามีส า, าร ะ, ะร ป, ราประโยชน์อะไรตร็นของที่กลาประโยชน์พวกเราเข้าสะดับรับฟังกันมาจนเวลานานสิสําหรับสรดับรับฟังเรื่องธรรมะ ใจจิตใจของพวกเราท่านเป็นอย่างไรเคยคิดดูที่จะมาหมใจจิตใจมันเปลืสว่างสวายจิตใจมันอกมันยนมันเห็ น, น, หนคุณเห็นประโยชน์จากการสดับรับฟังจากการ ป, ร ฏ, ปฏิบัติหาในม่เห็นคุณค่าและรประโยชน์ในทากนกำำงการทําบำเพ็ญไม่ว่าเรื่องธรรมหรือเรื่องโลกเราก็ย่อมไหม ดีใจแต่อใจเมื่ออยากทําสําหรับเขาทาไร่ทําสวนหรือทํานาฆ่าขายเขาจะต้องเห็นดอกผลกําไรในต่างกับทำมนสนของเขาไม่อย่างนั้นเขาไม่กล้าที่จะกระทำํำพอทํำไปขาดคุณยับเยินไม่ได้คุณขาดสาระประโยชน์อะไรคุณคือลงไปก็ไม่ได้กำไรที่จะเกิดออกหน่อต่อใบก็ไม่มี ใครเล่าเขาจะมั่นใครเล่าเขาจะแยันไปแต่ทำในงานนั้นๆันใด้ผู้ปฏิบัติทำนะทางใจถ้าหาไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นขึ้นก็อ่อนใจเสียใจและใมต้าที่จะแต่ทำมำเหวินไปเพราะไม่มีสาระประโยชน์อะไรทำลงไปจนเหนื่อย ทำใจกัเสียเวลาสู่การหลับการนอนการเล่นการเชินอย่างอืนน่นไม่ได้ทีธท ร, รมมะยังคงสนคงวายังมีสาระประโยชน์สำหรับผู้ตั้งหน้าตั้งตาระอทศปัจจุบัิเห็นไปจากทัดใจในการจะทำบำเพ็ของท่านยิ่งเราจะทำบำเพ็นหนักแน่นเท่าไปทอไรจิตใจจะต้องมีความละเอีดอ่อน จิตใจจะต้องได้รับสัมผัสจากธรรมะมีความสุขทุกเวลาสติรักษาไม่ปล่อ ย, ยจิตใจลอยไปตามปัญญาอารมณ์ต่างๆสติสิต่อในขานระยะรักต่อนัญญาเสื่อนสอนเรื่องจิตที่เมตต์จิตลงแต่งต่างๆไปในทางจิตว่าไม่ใช่ทา ของนักบาบัณฑิตต้อควรคิคคคดควรฝุงสิ่งใดที่เป็นธรรมเป็นดีในสิ่งใทดที่ได้สติปัญญาได้วิชาความรู้สิ่งใดที่ําจัดปัดเต่าโยางจิตใจของเราเซลเต้าหมองฝุนมัวตกออกไปจิตใจที่เซลผ่องใสหยัดเยินและเหยัดเข้าไปทุกวันทุกเวลามันชีนิตที่จะได้นะ การพิจารณาธรรมะธรรมะจะต้องเกิดขึ้นเจนขึ้นบอกขึ้นในท่านผู้ประกอบพิบัติเกิดนั้นเรื่องศาสนาจึงยังยืนขาวรมาถึงพวกเราได้พากันศึกษาได้พาการรดับรับฟังได้พากันประพอติปฏิบัติตามแต่คือพวกเราท่านยังไม่เห็นผลอย่าไปเหมาตนว่าเป็นคน อาภัพวาสนาเพราให้ตั้งหน้าทำจริงทำจังเพราะธรรมะอยู่ส่วนเล็กธรรมะเป็นของละเอียดธรรมะเป็นของสื่มีคุณค่าสูงหากเราไมต่างหน้าต่างตาฝึกผลอบรนจิตใจทองสนจริงจังจะยังเข้าใถึงธรรมะได้ยากธรรมะเป็นข่าสุดสูตร ผู้ดูชกับคนนะกับคนทานไม่อยากจะคิดจะอ่านไม่อยากจะต่อพืปฏิบัติเมดในยินดีในพอใจในเลื่อมใสในเรื่องธรรมะแต่ถ้าว่าบุคคลผู้ใดข่มจิดข่มใจท่องสนฝึกฝนอบรมถึงมันจะไม่ชอบป้ายทีว่าธรรมะนี้ถ้าแอบเราค่ม จิตคมใจฝึกอบรมได้จะเป็นผลเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราเหมือนตันงกับเขาบังคับคนไข้กินยาี่ฝากเปี่ยนหรืขอขมแต่ถ้าว่ากินลงไปเจื่อลมเจืโต่างๆภายในกายของเขาให้เหดหายไปได้เมื่อเขาคมจิตคมใจบังคับคนไข้แห่รับยาชนิดนั้น โรคภัยก็นับวันนับเวลาที่จะหายหน้าหายตาโรคภัยตกออกไปโรคภัยหายไปเท่าไรร่างกายก็ยิ่งมีําลังวังตาขึ้นเท่านั้นผลที่สึดโรคภัยหมดร่างกายก็ ป, ปกติดีงามจะไปจะมาจะยืนจะเดนจะนั่งจะนอนสะดวกสบายแขนใดจิตใจของพวกเราทั้น ที่หนแน่นโดยด้วยทีดเหนือตัณหาที่ด้พราใจยืนดีในการปฏิบัติธรรมขอขวให้พวกเราข่้นผงจิตผงใจประพฤตพิปฏิบัติไปเพราะเมื่อประพฤติปฏิบัติไปจิตใจที่เฉยตายแสจิตใจจิตเฉยร้อนจิตใจจิตเฉยหงงเหงาหนาวนอนจิตใจที่เฉ ย, ย, ยฟุ้งปรุงแต่งต่างๆจะรับความสงบ จะได้รับความสงัดจะได้รับความสบายจากการบังคับบัญชาให้ภาวนาให้การทําความดีเมื่อเราเห็นเราเกินจากการกระ ท, ทําบําเพ็ญ้องตนเราจะชื่อเพียงทำขนาดนี้ก็ยังเห้นผลแต่จากแทบเว็นในตนความสุขอันอืนอ่นมื่นแสนที่เราเคยผ่านมาจากนี้จากตาจาก กระหมูจากลิงจากสัมผัสต่างๆจิตเราเธอล์หนองกับความสุขในโลกมีเพียงแค่นี้มรามีอันอื่นกับประสบษษษษษษษษยุทธ์ขนาดเรื่องนี้แต่เมื่อประพฤติปฏิบัตษษิทำจิตได้รับสัมผัสจากธรรมจิตเป็นธรรมจิตเห็นธรรมความสุขของธรรมเป็นความสุขคือเลิเราเสดสุขความสุขคือเราเซลล์จิต เคยช่อก อ, อ, อใจเคยยินดีดเวื่อนเชียงกันลงใจจับดวงความสุขที่ใจได้รับความสงบใจได้รับสัมผัสจากธรรมผิดกลางไกลเราจึงเงี่ยงใสเราจึงยินดีเราจึงพอใจในใจแต่เพื่อปฏิบัติธรรมหากในข่มจิตคมใจท้องคนเชี่อก่อนจะปล่อยให้จุดเหนือปัญหานำหน้า จะปล่อยให้ที่เหลือัญหานำพาเมื่องจิตใจก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสงบส ง, บงัดจะพอไปสัมผัสกับธรรมได้ทุกท่านทุกลายที่ต่อพศ้นปฏิบัติจะต้องฝ่าเินเขินธรรมเพราะเชื่อมัน่นในโอวาสของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตัดเลาะแหละท่านตัดตามสิม่งทุกสิ่ง ท, ท, ทุกประการไป เม่เราไม่เข้าใจเราไม่ลื่อนใส่เราไม่ยินดีก็เพราะที่เหลือของเรามีเป็นครื่องนำหน้าหากเราข่มเราบังคับจิตใจชนิดนั้ น, นให้ตั้งใจกันปฏิบัติจริงจังก็จะเห็นจะเปขึ้นคาริยะเจ้าทุกอ ง, งทังท่านเคยบังคับบัญชาได้ว่าใจของท่าน เท่ากับฤทปฏิบัติธรรมจนจิตใจของท่านสำนึทํานานในการแระฤทธิปฏิบัติได้รับสัมผัสได้รับประโยชน์จากการแต่ทาบําเพ็ญของท่านท่านเชื่อมัน่นท่านินดีไม่มีวันมีเวลาที่จะเบื่อหน่ายอิ่มพอในการแต่ฤทธปฏิบัติธรรมไม่เหมือนเรื่องความสุขของโลก ซึ่งถือ่าสุกแต่เราเดี๋ยวกว่าเมื่อหน่ายในพอจิตพอใจเดี๋ยวกว่ากอีกจิตใจของพวกเราท่านมันตื่นตอนเอาเมื่อนอนอย่างยืนไม่ไมันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวกว่ากลางเดี๋ยวก็เปลียดเดี๋ยวก็่าพอเป็นอยู่แบบนี้แต่ไหนแต่ไรมาแต่เราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้คิด อ่งการได้การเสียของจิตคือจิตที่คล้องพอเลยลืเรียนเลยไหนเห็นโทษเห็นไถ่ใ น, ในตามจิตการข้องในตามเหตเุการเพลินนั้นนั้นากทุกท่านกำหนดที่นีจะมาชิดถึงรายได้รายเสียจากการติดคล้องการเกี่ยวพันในสิ่งทั่วไปนั้น จะเข้าใจจะลดละจะปล่อยวางในสิ่งที่ตนจิดข้องในสิ่งที่ตนชอบตนพอใจในเรื่องโลกจะมาสัมผัสจะมาตั้งหน้าปฏิบัติเรื่องของธรรมให้นักแน่น่อไปจนจิตใจมีรากฐานอย่างลึกลงในเรื่องของธรรมใครจะว่าอะไร ไม่เอียงๆไปตามเพราะเรื่องของคำสัมผัสในจิตของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ทุกการทุกเวลารูปเสียงเรื่องราวต่างๆจึงเคาเป็นถ้าสึกศัตูว่าเยอะยุแต่เรายินดีจิดท่องแต่เมื่อจิตใจเราตั้งมั่นลงไปในครามจริงจังเรื่องรูปเสียงต่างๆเป็นของมีมาแต่ การใดสมัยใดถ้านหรือทุนนทเกเจ้นานัอบขอบพิจารณาปวดหินในรูปเสียงนึ่งนั้นรูปเสียงกว่าเลยแต่เป็นของทําคัญไม่เป็นจัจูไม่เป็นชาติศึกนี่จะจิตใจท่องตนเปนชาติศึกแก่ตนเองคือไปหมายไปติดในรูปในเสียง น, งนึ่นั้นรูปเสียงเพราะมายินดี ขาไม่พอใจเพราะมันใส่ร้ายใต้สีไทยใครจะชอบเขาจะไม่ว่าใครจะไม่ชอบเขาจะไม่ตำหนิมันมีอยู่อย่างไรหน้าที่เขามาแก้ปวนไปอย่างไรแตกสระายไปอย่างไรเป็นไป ต, ตามร่องของมันถ้าจิตใจของพวกเราท่านที่ที่แจนนะรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วรู้เสียงเรื่องราวในโลกถึง มันจะมีอยู่ขนาดไหนความเป็นพิษเป็นไทยสำหรับใจของผู้ประพฤบพิบัติถึงทำท่านจะรู้จะเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นแจมใสชัดเจนไม่หลงไม่ผิดมีความสุขความสบายยิ่นย่องผ่องใสอยู่ทุกการทุกสมัยอยู่ในโลกไม่ปิดในโลกอยู่ในโลกไม่คล่องในโลก แต่วพวกเราที่เป็นผู้ที่ชนคนแหนาไม่เคยฝึกจิตไม่เคยเจิดปัญญาไม่เคยวิชาลิมุตบทการพูดเ่วงธรรมะภายในอย่างนี้ยากที่จะคาดถึงยากที่จะเข้าไปเห็นเพราะจิตใน่เคยเกิจิตใน่เคยสําผัสจิตใน่เคยรู้จึงมนันมีคุณค่าตสารประโยชน์ สำหรับเราคุณค่าแลประโยชน์สำหรับเราก็มีแปิเทียงการเห็นการได้ยินจริงๆจนชอบใจจริงๆจนพอใจส่ว น, น, นจะได้ใช่ถึงเรื่องธรรมอันละเอียดถี ข, ขุมใช่ต่อไปในสี่งแต่ถึงอย่างไรผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อพระวิญญาสิงห์จัง บังคับบันทาจิตใจคือหนาแน่น จ, จิตใจผิดผิดข้องเข้าใไปปฏิบัติให้อยู่ในขอบที่ไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่ไม่ให้คิดไม่ให้นกออกไปจากเรื่องของธรรมเราจะบริกรรมหรือเราจะกำหนดร่างกายทั่วไปวเหมือนกันบังคับให้มันอยู่ในขอบที่ของธรรมบริกรรมของตน ของการที่นิพานะแต่คนละกายของตนบังทับเอาไว้จนจิตใจไม่มีช่องทางที่จะล่วไหลไปตามตัณยารมณ์ง่างจิตเมื่อถุบงังคับยินงจังเมื่อวันใดกวันหนึ่งจิตจะต้องรวมลงเป็นสมาธิเง็นความสงบสงัดอัศจรรย์ จากการจะททำบําเพ็ญทั้งตนเมืม่อจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมัน่นเชื่อในคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการจะบังคับบัญชาการที่จะตว่ากล่าวตักเตือนไม่ค่อยจะมีเพราะเหตุใดเพราะจิตเชื่อจิตร่วมใส้จิตได้สถานที่จิตยินดี จิดพอใจในเรื่องที่เป็น เ, นเป็นเห็นแต่จากทัดเศนอยู่ในตัวผู้นั้นจะไปสถานที่ใดสนุกึะดับรับฟังธรรมจากจิตจากใจของตนไม่หาเหวนจากการสดับรับธรรมเพราะคิดอะไรขึ้นก็เป็นธรรมเห็นอะไรขึ้นก็น้อมเข้ามาเป็นธรรม มันมีอะไรเป็นค่าสุดสสจัดตุ้งเสียใจใจได้รับความสะดวกใจได้รับความสบายอยู่คนเดียวยิ่งสบายมากมาเพราะม่มีอะไรมาพกาิกขาดในใ้คิดในอ่านกับเรื่องภายนอกมีแต่คนคิดที่จะนาเรื่องของทำสม่ำเสมอไปจิตใจโอ้จิตใจเลื่อมไสจิตใจได้ คาติได้ปัญญาได้วิชาอยู่ทุกวันทุกเวลาหากเราคิดนึกตึดไปเรื่องนอกเรื่องวิชาความ ร, รู้เรื่องจิตใจอยู่ราเคจากอารม์ยากสำหรับผู้ปิดหัดดับจิตจึงหาที่สงบสงัดหาที่วิเรกวังเลย สำหรับสอบฝึปฏิบัติสอบฝึกหัดจิตใจให้ง่ายเข้าไปแค่คล่องเข้าไปพอตัดสัญญาอารมจากยาตาหงาจมูกืิมต่างๆระวังรักษาแบ่ทวานเดียวคือจิตใจที่จะไปกาอเกี่ยวเท่านั้นฮะมันฝึกมันอกรมมันตักเตือนตัวข้องตัวอยู่สม่ำเสมอ จิตใจจะต้องเป็นไปทุกท่านทุกคนไม่ว่าพระว่าในว่าสิกสุสามะเนมในว่าเพศหญิงในว่าเพศชายเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดปรับพระเสียก่อนจึงจะปฏิบัติได้พระว่าอย่ายอมปฏิบัติไม่ได้หรือผู้ชายเสียก่อนจึงจะได้มัดกได้ผลผู้หญิงไม่มีวันมีเวลาที่จะได้นัดกได้ผลพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดอย่างนั้น ใช้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติใช้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาภาวนาจริงจังคนนั้นแหละจะได้สมบัติอันล้ำค่าเมื่อจิตใจจะมีความสว่างไสวจิตใจจะมีความสงบเยือกเย็นจิตใจจะรู้ใจเห็นสิ่งอัศจรรย์จิตใจจะพ้นไปจากโลกจากสงสามในติดข้องในกัญญาอารมณ์ที่รงเทยโจรเคยติดมา เป็นสมบัติของพวกเราทุกคนที่ควรจะเกิดผลที่ควรจะอดรมให่เกิดให้เห็นให้เต็นขึ้นถ้าหากเรามองข้ามไปเสียถือว่ายังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่หน้าที่ของเราส่วนความแก่คามเฒ่าทวามเกิดความตายไม่เลือกหน้าเลวอกตาว่าผู้หญิงผู้ชาย ในเรียกหน้าเรียกตาว่าพ้าที่สุสา ม, มาเณรในเรียกตารเรียกเวลาถึงช้ามาปล่มหายตายไปส่วนความดีที่พระพุทธเาจ้าสอนเอาไว้เราโยนไปทางหน่าส่วนความแก่ความเจ็บความตายไล่เข้ามาทั้งหารเราแต่ เ, เราจะไปเอาคุณงามควาดีเมื่อไร สมัยนี้โอกาสนี้เป็นเวลาเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะฝึกจะอบรมจะพิตจารณาเรื่องของธรรมถ้าหากเราไม่เห็นเราไม่เป็นเราไม่ได้ซ้าขัดไม่ได้ดื่มเรื่องของธรรมแล้วถึงพะพุทธเจ้ า, า จ, ะจะมาไปพับอยู่บนคีร์สะของเราแนะนำธรรมสอนอยู่ตลอดเวลา แเพื่อว่าจิตใจของเราปรุงแต่งไปตามเรื่องของคิเลส ก, กันหาไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการที่นิพิจรนาตามเรื่องของธรรมก็ไปรับปารับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าที่มาแตะขับแสดงธรรมอยู่บนที่สาของเราแต่เราสอนตัวของเราสม่ำเสมอไปเพราะเมื่อเราสอนตัวของเราให้เข้าถึงเรื่องของธรรมแล้วก็จะมีความสงบ มีความสงัดมีความเบามีความสบายมัดผนสืบทพุทธเจ้าสาวไว้จะไม่ใช่สมบัติของบุคคลผู้อื่นผู้ใดจะเป็นสมบัติของเราผู้ตั้งใจต่อพุทธปฏิบัตินี้ใช่ว่าคุณงามความดีส่วนนี้ตายไปแล้วเรานี้จะได้รับแต่รับไปจากทัดเย็นถึนในปัจจุบัน ทำคำสั่งสอนเป็นอย่างนั้นพระพุายเจ้าตัดสัตว์รู้ปอยังมีชีวิตอยู่นิชว่ะบริเวณฐานที่ตายไปแล้วจึงได้ตัดสรู้ธรรมะทุกบททุกบาททุกถ่อยทุกคำทีท่พวกเราได้ระดับรับฟังมาหากว่าเรานํามาที่นีิพพรนให้าจิตของเรารู้จิตของเราเห็นจิตของเราเป็นสิ่งในการจต่เพื่กปฏิบัติ จะมีรสชาติจะเป็นของอรอยจะเป็นของวิเศษไปเสดสำหรับชีวิตของเราหาเราไม่มีความไม่มีความดีความดีอะไรจิตใจหนาะที่อยู่สม่าเสมอวันนี้ที่เจะนะหรู้ว่าอะไรจิตอะไรชอบดีอย่างไรชั่วอย่างไรมืดขื้ออยู่อย่างนั้น ไม่มีวันมีเวลาที่จะพ บ, ปบเป้าศพเบื้องของธรรมธรรมดา ค, มวความมืดเราจะคว่าหาอะไรก็ไม่ได้ตามความปรารถนาแต่รู้ว่าอะไรเป็นที่เป็นทาอะไรดีมีคุณค่าเพราะ ค, ะความมืดแอบคว้าหาไปบางทีเจอผูกอสระพิษตัดต่อยอเอว คามมือเป็นอย่างนั้นส่วนความสว่างจะต้องเห็นไปจากษ์ชัดเจนอะไรเป็นจิตเป็นใจอะไรควรจับควรคืออะไรควรเป็นของดีในดีอย่างไรไประจากมีการประพฤตปฏิบัติทางธรรมะทางด้านจิตใจความห้ใจของเราเกิดความสว่างสวเห็นของดีของชั่ว จากแทบใจจนไม่เกิดสงสัยในตัวของตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติควรรับคุณค่าสารประโยชน์จากทำที่ระดับรับฟังไปตั้งใจประพัติปฏิบัติเพี่ก่อนเพื่อใจเย้ผลเ็นประโยชน์ถ้าเราไม่บงังคับบัญชาจิตใจของเราจะปล่อยให้ที่เดีอปัญหานำพา ชักจูงอยู่อย่างนั้นเห็นว่าการสะอพื่อปฏิบัติธรรมเป็นของลำบากเป็นของยากแล้วก็ไม่สะอพื่อปฏิบัติกันไปปล่อยเอาไว้ให้จเบียปัญหางอกงามขึ้นทุกวันทุกเวลาจิตใจก็นับวันที่จะหมดคุณค่าหมดสาระหมดประโยชน์เกิ ด, ดมากล่อมเป็นโมฆะไม่มีสาระอะไรเหตุดดนั้นขอทุกท่าน จงนำธรรมะเที่อธิบายไปนี้ไปที่นิตยนานาด้วยตนของตนเองหากเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ชอควรก่อเพื่อปฏิบัติตามพอจงลงมือต่อพื่อปฏิบัติตามหากเห็นว่าธรรมะแดงใปเป็นของไม่ดีมีคุณค่าเป็นทางสมุทยัย หากทาไปตามคาแนะนำคาสอนก็จะเกิดทุกข์พากันละละวางเสียในธรรมะที่แนะนำคาสอนไป ส, ส่วนใดเป็นอยาเป็นประโยชน์เป็นคุณได้มีโทษสำหรับตัวของตัวก็ตั้งหน้าตั้งตารักษาหรือประพฤ่อปฏิบัติให้ตก่าหน้ า, าขึ้นไปเมื่อทุกขท่านมันที่นี้พิจารนา ตามแนวธรรมะที่พระพุทธเจ้ า, จาตรงแสดงเอาไว้จิตใจก็จะได้รับความผ่อ ง, งใสจิตใจก็จะได้รับความเย็นเย็นการอธิบายธรรมะ <c oughs> นั้นแบบองควเรเปนเวลาเวลา